มนุษย์เราไม่ค่อยได้อะไรมาโดยไม่ต้องเสียอะไรเมื่อได้มาอย่างหนึง่งก็ต้องเสียไปอย่างหนึง่งคิดอย่างนี้แล้วไม่น่าที่จะอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรควรสแสวงหาแต่ทางแห่งความสงบเท่านั้น อาจารย์วสินอินทสระท่านเป็นผู้ฟังฟังด้วยสติผมก็เป็นผู้พูดก็พูดด้วยสติเราควรจะมีพระอยู่ในจิตใจเราคือพระสติการเจริญสติเนี่ย ถ้าเราเข้าถึงตัวสติแล้วสติเนี่ยเป็นสติประฐานเป็นสติที่เกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมาเป็นการเจริญภาวนาเป็นการเจริญวิปัสสนาก็ได้สติที่เข้าถึงตัวสติประฐานเป็นความสึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัว ก็คือความรู้สึกที่เรามีจิตใจที่เต็มเป็ดด้วยมักมีองแปดสตินี่มันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากสติธรรมดาเป็นสติปัญญาเป็นวิปัสนาเป็นมักมีองแปดมักมีองแปดหรือสติปัญฐานหรือความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรคือทำหน้าที่ กำหนดรู้ทุกอยู่ที่กายที่ใจหรือที่รูปที่นามกายก็คือรูปรูปประธรรมจิตใจก็คือนามนามปรธรรมารูปประธรรมก็คือร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาเป็นดุนเป็นก้อนอันนี้คือรูปจิตใจก็คือสภาพที่รู้อะไรได้ คิดอะไรได้อันนี้คือลักษณะของนามธรรมชาติของนามคือรู้รู้ในอารมณ์รู้ในกายเพราะนั้นสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยที่เข้าไปรู้รูปเนี่ยคือจะรู้ทุกข์รู้อาการของความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่รูปเป็นการกำหนดรู้ทุกข์เป็นในตัวรู ป, ปรธรรมหรือกายของเราเนี่ย ก็คือก้อนทุกนี่เองทุกคนต้องมีมีทุกอยู่ในร่างกายทุกบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นที่กายของเราเนี่ยเราเพียงแค่มีสติกําหนดรู้เอาไว้เฉยเฉยไม่สามารถจะแก้ไขยเยียวยาเขาได้อิเช่นทุกที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกา ย, ยจากเด็กทารกเป็นเด็กจากเด็กเป็น คนหนุ่มจากคนหนุ่มเป็นคนแก่แล้วก็ตายไปอันนี้เป็นทุกข์ที่เราเพียงแค่กําหนดรู้ไว้เฉยๆความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความพิการหรือความแก่ชร า, าเนี่ยอันนี้เป็นทุกข์ที่เรามีสติกําหนดรู้ไว้ไม่สามารถจะแก้ไขได้ทุกบางอย่างเนี่ยที่มันเกิดที่ร่างกายของเราเ เราก็ทําหน้าที่กําหนดรู้แล้วก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแก้ไขเยียวยาของเขาให้เข้าสู่สภาวะที่เป็นปกติอินทนทุกที่เกิดจากความหิวความกระหายความเมื่อล้าอ่อนแรงเราก็สามมติจะแก้ไขได้กําหนดรู้แล้วเราก็แก้ไขไปด้วยสติแต่ทุกบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ย เราต้องทำหน้าที่ละเลยต้องละทันทีเลยอย่างเช่นว่าทุกที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจที่เกิดจากกิเลสก็ครอบงําความรักความโลภความเกลียดความโกรธความกลัวอิจฉาลิษยาวิต ก, กังวลเนี่อันนี้เป็นทุกที่เกิดทางด้านจิตใจเราต้องทำหน้าที่มีสติรู้แล้วก็ละลงไป อันนี้เป็นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงอันนี้เราไม่ต้องไปหาที่ไหนที่กายที่ใจของเราเนี่ยสติสัมปชัญญะรู้ได้เห็นได้การกำหนดรู้ทุกในตัวเรานั้ น, นไม่ต้องไปกำหนดที่วัดไม่ต้องไปกำหนดที่ไหนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามีทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยเราก็ระลึกรู้ลงตรงนั้นทุกข์เกิดที่ไหน ก็รู้ที่นั่นอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่เองจะเลือกเป็นอริยสัจสี่ก็ได้การเจริญสติเนี่ยมันพัฒนาสูงถึงขั้นที่ว่าเห็นอริยสัจในตัวเราเลยเราลองกําหนดรู้อย่างเล่นๆรู้เล่นๆดูซิว่าเรามีอริยสัจ อ, อยู่ในตัวเราหรือไม่เราลองมาพลิกมือเล่นดูซิเราพลิกมือหงายพลิกมือคว่ํา แล้วก็มีสติระลึกรู้ลงไปในอาการที่มันหงายที่มันคว่ำลองรู้ลงไปรู้เล่นๆดูสิเราจะเห็นทุกจริงๆเหมือนกันนะมือหรือรูปที่มันกําลังหงายกําลังคว่ำนั่นแหละอันนี้ละ่ะคือก้อนทุกข์ล่ะเป็นก้อนทุกข์ล่ะใครเป็นผู้รู้สติเนี่ยเป็นผู้รู้รู้ในก้อนทุกข์ที่กําลังหงาย กำลังคว่าในรูปธรรมในที่มือของเรานะคอยรู้เฉยๆรู้อย่าเข้าไปอยู่ในอาการของมือที่หงายที่คว่ำถ้ากิดเรากําหนดรู้ทุกข์แล้วและดูซิว่าสติที่เรากําหนดรู้ทุกข์อยู่ที่กายกําลังเคลื่อนไหวอย่างนั้นที่มือกําลังพลิกหงายพลิกคว่ำแค่เรารู้เฉยๆเนี่ย เป็นการละเหตุของความทุกข์ไปด้วยคือละสมุทัยคือตัวตันหาหรือตัวอุปทานที่เรายึดติดว่าไอ้มือที่กําลังเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเรามันมีการละไปนในตัวแค่เรารู้เฉยๆจิตที่รู้เฉยๆเนี่ยสติที่รู้เฉยๆเนี่ยเป็นการละตันหาละอุปทานไปนในตัวเลย ในขณะที่เราจิตกำลังรู้เฉยๆกับกายที่กำลังเคลื่อนไหวเนี่ยจิตจะเป็นปกติจิตที่เป็นปกติเนี่ยมีสติรู้อยู่เนี่ยจะเป็นนิโรดนิโรดนี่ไม่ใช่เป็นการดับทุกนะนิโรดนี่คือทุกไม่เกิดเราไม่ต้องไปดับทุกทุกไม่เกิดกันแล้วกันขณะที่เราก็มีสติและลึกรลงไปที่มือกำลังเคลื่อนไหวไปมาเนี่ย รู้เฉยๆทุกไม่เกิดเห็นไหมจิตที่เป็นปกตินะ่ะทุกไม่เกิดแล้วใครเล่าเป็นผู้ที่กําหนดรู้ทุกแล้วก็ละตัวสมุทยัยก็คือสติที่กำาังกหนดรู้นี่แหละเป็นตัวมรรคอยู่ในปัจจุบันนี่เองในอารมณ์ปัจจุบันที่เราเจตนาแระลึกรู้ลงไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวมีพร้อมเลยทั้งทุก ทั้งการกําหนดรูทุกทั้งการละตัวสมุทยัยคือเหตุทั้งความทุกข์และเป็นตัวนิโรอดไปในตัวและเป็นมรรคพร้อมเสร็จในอริยสัจสีเห็นไหมอันนี้แค่เรารู้คร่าวๆรู้เล่นๆเพราะฉะนั้นการเจริญสติแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยเราทําได้ทันทีในอารมณ์ปัจจุบัน เ, นเป็นการกําหนดรูทุกได้ทันทีเลยทีนี้ เราอย่าไปรังเกียจเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราทุกนั่นแหละดีการมีทุกข์ทำให้เราเกิดการเห็นทุกข์ได้พระอริยเจ้าใช่ไหมท่านมีทุกข์แล้วท่านออกบวชออกบวชเพื่อหาทางดับทุกข์คือไปปฏิบัติธรรม เ, เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพอเกิดธรรมะเนี่ยก็บรรลุธรรมม เพรเห็นทุกเนี่ยจึงกลายเป็นเห็นธรรมได้เมื่อเห็นธรรมแล้วเนี่ยธรรมะคืออะไรคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ยกำหนดรู้ทุกเห็นทุกเนี่ยเท่ากับเห็นธรรมเนี่ยเป็นลักษณะของพระอริยเจ้าที่มีความทุกข์และออกบวชออกปฏิบัติธรรมเพราะะฉนั้นการเห็นทุกข์ก็คือการเห็นธรรมการเห็นธรรมคือการเห็นทุกข์ แต่การเห็นเนี่ยต้องเห็นแบบรู้นะอย่าเห็นแบบเข้าไปเป็นเห็นแบบรู้เห็นแบบเป็นผู้เห็ น, นบางทีเราเกิดความทุกข์ในกายในใจเราเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเข้าไปเป็นทุกข์ด้ว ย, ยผู้ปฏิบัติเนี่ยที่เข้าถึงตัวสติปัฏฐานหรือเข้าถึงตัวความรู้สึกตัวเนี่ยพอเกิดเห็นทุกข์ในจิตใจเราหรือในร่างกายเราเนี่ย จะสดชื่นนะทำไมจรงสดชื่นเพราะรู้ทันในความทุกข์จะสดชื่นจะรู้แบบยิ้มยิ้มเ่ยเราลองดูสิเวลามันเกิดความทุกข์จะเป็นทุกขเวทนาทางกายและทุกขทางจิตความพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยเราลองยิ้มยิ้มกั บ, กบนนไอ้ความทุกข์แบบนั้นมาเห็นไหมความทุกข์นี่มันจะลดกําลังลงได้ทําไมเราต้องเข้าไปเป็นทุกข์ด้วย เราเป็นผู้เห็นทุกข์น่าจะภูมิใจน่นหลเราเห็นทำแล้วเรายิ้มยิ้มเห็นบบสบายสบายสดชื่ น, เ, นเพียงแค่นี้นะเราก็เกิดการพัฒนาในการปฏิบัติแล้วไม่จาเป็นจะต้องเข้าไปเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมีให้เราเห็นความทุกข์เนี่ยไม่ใช่มีให้เราเป็นเพราะฉะนั้นเราลองมา รู้ทุกข์ในร่างกายซึ่งมาก่อนเราเป็นทุกมากมาเปลี่ยนเป็นผู้เห็นทุก์แบบใจิตใจที่สดชื่นอมยิ้มอยู่ภายในนี่หละคือการเห็นทุกข์แบบผู้ชนะทุก